ควมเขียนสวรรโนท่านเคยให้คำนิยามว่าภาวนาคือการขยันรู้น ะ, ะรู้ในที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงรู้นอกตัวรู้เรื่องโลกภายนอกแต่หมายถึงการรู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องกายเรื่องใจโดยเฉพาะเนี่ยตั้งเริ่มต้นที่นะความรู้สึกตัวต้องขยันรู้สึกตัวนะหรือว่าขยันรู้ตัว ในความรู้ตัวเนี่ยมันก็แยกไม่ออกกับการที่เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆ่านที่มันเกิดขึ้นนะเรามีความโกรธเกิดขึ้นนะมีความเศร้าเกิดขึ้นกับใจแล้วยังไม่รู้อีกนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราอย่างเงี้ยเรียกว่านะไม่รู้ตัวแล้วล่ะแล้วล ถ, ถ้าเรารู้เนี่ยนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น นะกับใจของเราหรือรู้อาการของใจว่ากระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงยินดียินร้ายก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยกลับคืนมาความรู้สึกตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเมื่อใดก็ตามที่ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยนะไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตไม่จมอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาเอง แต่เป็นเพราะเราหลงเราเผลอให้ใจมันไนะหลเข้าไปนะในภาพเก่าๆหรือความทรงจำเกี่ยวกับอดีตหรือว่าไปมัวอินดงตุงนังนะกับภาพที่มโนปรุงแต่งขึ้นว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ ย, างงอย่างนั้นอะย่างนี้เนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งแท้ แ, ทแต่ใจก็ เข้าไปนะรวมล่อพันตัวหรือไปครุกคลีนะจนหมดเนื้อหมดตัวก็เกิดขึ้นบ่อยนะขยันกับขยันรู้ตัวนะมันก็มีหลังง่ายๆนะเรื่องการทําความสึกตัวหรือการเจริญสติเนี่ยก็คือตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นนะถ้าตัวอยู่ตรงนี้เนะี่ยก็ให้ใจอยู่ตรงนี้ตัวนั่งอยู่ที่ศาลาหอไตรก็ให้ใจอยู่ตรงนี้ เพียงแค่ใจอยู่กับกายเนี่ยมันก็จะรู้นะว่ากายทําอะไรกายกาลังยกมือกายกาลังนั่งมันไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทันทีที่กายเนี่ยกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากเราสร้างความเคยชินนะไอ้ความเคยชินของเรามันเป็นความเคยชินในลักษณะที่ทาให หลงก็ไปในความคิดนิสัยใจลอยนะมันก็ทำให้เราไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่สามารถจะทำงานทำการได้นะแต่อย่าไปเข้าใจว่าเวลาเราทำงานทำการเช่นขับรถขับขับรานเนี่ยมันแปลว่าเรารู้ตัวอยู่เสมอไปมันก็ไม่ใช่นะอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโอท่านเคยเล่าว่าเนี่ยท่านมัน ไปบรรยายที่หนึ่งเสร็จก็มีโยมอาส า, าจะขับรถพาท่านกลับวัดท่านกับพระที่เป็นลูกศิษย์ก็นั่งอยู่เบาะหลังโยมก็ขับขับไปพักใหญ่เนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยข้าไปถนนอีกถนนหนึ่งพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามโยมว่าเนี่ยโยมจะไปไหน โยมก็บอกว่าก็จะพาพระอาจารย์กลับวัดยังไงท่านก็เลยบอกว่าให้ทางไปวัดนี่มันต้องตรงไปไม่ใช่เลี้ยวนะโยมคนนั้นก็เลยรู้ตัวเลยนะเพราะว่าไอ้ที่เลี้ยวเนี่ยก็คือเลี้ยวเป็นถนนเข้าบ้านนะจะเลี้ยวกลับบ้านนะว่าจะมาส่งพระนะแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยพอเห็นถนน ที่ตวอคุณเคยก็เลี้ยวเลยเพราะว่านะ่ะคือทางที่กลับบ้านเป็นประจำอย่างนี้ก็เรียกว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวนะอย่าไปคิดว่าคนไม่รู้ตัวเนี่ยคือคนที่หลับหรือว่าคนที่สลบสลายหรือคนบ้าถ้าคนที่พูดจารู้เรื่องทํางานทําการได้ขับรถได้ทําครัวได้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาทําด้วยความรู้ตัวหรือเขามีความรู้ตัวอยู่ในเวลาา น, นั้นอันนี้ทาง ทางธรรมะเรียกว่าไม่รู้ตัวนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็พยายามที่จะทำความรู้สึกตัวบ่อยๆนะการที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็เพื่อมาฝึกนิสัยใหม่นะนิสัยที่รู้ทันความคิดรู้ทันความหลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้จิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่ อ, ขอเขียนนพูดนะขยันรู้เนี่ย ขยันรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะรู้ได้มันก็ต้องหลงก่อนนะจะรู้ได้ก็ต้องหลงก่อนเมืน่อคนจะฉลาดได้ก็ต้องโง่ก่อนนะเราหลงไปปุ๊บเรารู้แล้วหลงไปสักพักเอารู้แล้วนะความรู้มันเกิดขึ้นหลังจากที่หลงไปแล้ว <c oughs> แล้วพอใช้เวลาหลงไปก็อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปตี๋กชกหัวนะอย่าไปลาคาญนะเพราะว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะสร้างตัวรู้ขึ้นมาหนะลงก่อนจึงค่อยรู้โนะง่ก่อนจึงค่อยฉลาดนะเราะฉนั้นมนหลงไปก็ไม่เป็นไรนะขอให้รู้ขอให้รู้บ่อยๆหลงสิบครั้งก็รู้สิบครั้งนะมันดีกว่าหลงครั้งเดียวแล้วก็รู้ครั้งเดียวนะบางทีหลงครั้งเดียวแต่หลงยาวเลยนะทั้งชั่วโมงเนี่ยหลงอาจจะสัก5้าครั้งนะ ่แต่ละครั้งนี่ยาวนะยาวเป็น10นาทีเลยขณะที่หลงสาสครั้งนะในหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็สามารถที่จะรู้ทุกครั้งที่หลงนะรู้นะในหนึ่งชั่วโมงอันนี้ดีกว่านะมันหลงปั๊บเดียวก็รู้แล้วดีกว่ารู้น้อยน้อยครั้งแต่ว่ารู้แต่ละ ด, ดีกว่าหลงน้อยครั้งแต่ว่าหลงแต่ละครั้งยาวหนาที10นาที เพราะนั้นเนี่ยหลง30ครั้งอาจจะดีกว่าหลงหครั้งก็ได้นะอย่าไปคิดว่าหลงน้อยครั้งนี่มันจะดีเสมอไปหลง 30-40 ครั้งแต่ว่ารู้ทุกครั้งเนี่ยมันก็ 30-40 รู้นะแล้วก็ไอการที่รู้เยอะๆมันก็ทำให้ความหลงเนี่ยมันหดสั้นหลงแคบหลงแคบหลง เราก็จะมีนิสัยใหม่ขึ้นมาเป็นนิสัยที่รู้ได้ไวนะซึ่งอันนี้กเกิดจากการขยันรู้นะขยันรู้รู้บ่อยๆการที่เราจะขยันรู้ได้นี่ต้องต้องต้องมีอีกคุณสมบัติหนึ่งนะก็คือชอบฉวยโอกาสหลวงพ่อคําเขียนนั่นก็พูดอีกว่านันกภาวนาะคือต้องรู้ต้องเป็นนักโชยโอกาส เฉโอกาสหมายความว่าช่วยทุกเวลาเพื่อการสร้างตัวรู้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างตัวรู้ขึ้นในขณะที่เรามาเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะแต่พอถึงเวลาอื่นเราก็ปล่อยใจลอยทําให้ความหลงเนี่ยมันครอบงำใจอันนั้นไม่ใช่ขยันรู้ก็ต้องจะเกิดขึ้นน่าก็ต้องรู้จักโฉโอกาส ช่วยทุกเวลาพูดง่าคือตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนจนจนเข้านอนเลยเนี่ยนะทุกวินาทีเนี่ยนะเราต้องโชวโอกาสเพื่อสร้างตัวรู้หรือขยันรู้ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นขณะที่เราล้างหน้าเราแปรงฟันนะเราเก็บที่นอนก็พยายามทำความรู้สึกตัวไว ก็คืออย่าหาเรื่องคิดนะยังไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่ถึงแม้ว่าเราจะมีงานรออยู่ข้างหน้าบางคนที่เป็นแม่บ้านนี่พอตื่นนอนขึ้นมาขณะที่ล้างหน้านี่ก็คิดแล้วว่าจะทำอาหารอะไรนะอันนี้มันไม่ถูกนะมันก็ทำให้ใจนี่นะไม่รู้ตัวว่ากาลัางล้างหน้าอยู่ความรู้สึกตัวมันก็พร่องหายไป เราจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆนี่ก็เพราะว่าเราพยายามที่จะเอาใจใส่ลงไปในทุกในทุกกิจกรรมนะไม่เลือกว่าจะเป็นเวลาใดไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลาที่มาเข้าคอสมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะแม้แต่เวลาที่อยู่บ้านอยู่กุฏิอยู่ที่พักทุกเวลาอยู่บนถนนนะนั่งรถนะ ก็ต้องใช้โอกาสนี่แหละสร้างตัวรู้ขยันรู้ขึ้นมาระหว่างที่นั่งรถอาจจะ ก, กครึงนิ้วไปนะคลึงนิ้วไปให้รู้สึกเบาๆนะไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งระหว่างที่รอเพื่อนนัดเพื่อนไว้เพื่อนอยังไม่มาแทนที่จะปล่อยใจให้หงุดหงิดหัวเสียหรือกังวลว่าถ้าเพื่อนมาสายมันจะผิดมันจะเสียงานเสียการอันนั้นมโนโนะ มันยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็ทําให้กุมใจทําให้หงุดหงิดทําให้เป็นทุกข์ก็โชว์โอกาสใช้เวลาที่รอเพื่อนนี่แหละ อ, ะอะจะเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวไปนั่งรถเราเป็นคนนั่งนะเลี้ยงทางก็เป็นร้อยกิโลหรือว่าอาจจะไม่กี่กิโลแต่ว่ารถติดขนาดติดแน่นขนาดเอาแล้วก็แทนที่เราจะปล่อยใจให้หงุดหงิดนะ สภาพรถติดนะเราก็ทำความสึกตัวไปมแม้จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความกังวลขึ้นมาก็ก็ใช้โอกาสอย่างนี้แหละนะทำความสึกตัวได้คือให้รู้ทันนะช่วยโอกาสแม้กระทั่งในเวลาที่หงุดหงิดในเวลาที่รำคาญในเวลาที่โมโหในเวลาที่กังวลนี่แหละนะเป็น โอกาสในการฝึกสติให้รู้ทันเพราะว่าการรู้ทันอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายมันก็เป็นภาวนาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะมันมีให้ให้เราดูมันมีให้เราเห็นอ่าอันนี้ก็ถือว่ามันมีประโยชน์อารมณ์พวกนี้ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะความเครียดความกังวลความกลัวเนี่ยประโยชน์อย่างนึงคือมัน มันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้มีสติรู้ทันนั่นจะไปงุดหิดหัวเสียจะไปงุดหิดนะที่ใจมันฟุง้งบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าปฏิบัติแล้วนั้นต้องให้ใจสงบพอมีคิดฟุ้งซ่านคิดมากคิดหมาย ก, ก็งุดหงิดลำคาญพยายามไปกดข่มจิตพยายามห้ามความคิดยิ่งทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งฟุง้งนะจิตเนี่ยมันไอความคิดเนี่ยมันยิ่งห้ามก็เมันยิ่งอยุนะ ไปกดขม่มอารมณ์ใดก็ตามไปกดขม่มความคิดใดก็ตามเนี่ยมันก็ยิ่งพยายามที่จะท้าทายนะรังควานหรือว่ารบ ก, กวนเรามากขึ้นคนที่พยายามกดขม่มความคิดนะ่ยิ่งทำไปก็ยิ่งเครียดยิ่งหงุดหงิดสุดท้ายก็เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหายใจไม่ค่อยออกแน่นท้องเนี่ยอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็น อาการที่ฟ้องว่าไปเพ่งไปบังคับจิตไอ้ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไปมองว่าไอ้ไอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีมันต้องกำจัดนะแทนที่จะยอมแทนที่จะมองเออมันเกิดขึ้นก็ดีเหมือนกันนะให้เราได้ฝึกฝึกดูใจฝึกสติให้รู้ทันนะมันไม่เกิดก็ดีมันเกิดก็ดีเหมือนกันนะ ถ้าเรารู้ทันในความโกรธความหุดหงินเนี่ยมันดีนะถ้าเรารู้ทันมันความสงบนี่มันไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้ทันหรือว่าเราเพลินไปกับมันจนหลงนมีนักปฏิบัติบางคนนะอย่างเช่นภาพบางรูปเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนนั่นเคยเล่าก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เอาจริงเอาจริงการปฏิบัติมากนะ แต่ว่าก็ทำด้วยหน้าอาการหน้าดำคร่ำเคร่งนะเพราะว่าจะเอาให้ได้จะเอาความสงบให้ได้นะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่มันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่สุดท้ายงุดหิดจนลืมตัวนะโมโหลืมตัวเอารองเท้าแตะฟาดหัวฟาดไปก็พูดไปทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้อันนี้สงก็ลืมตัวแล้วนะอุตส่าห์มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะได้มีความรู้สึกตัว แต่ทำไปทาไปกับยิ่งลืมตัวหนักกว่าเดิมนะเพราะอะไรนะพอคิดที่จะเอานะพอคิดที่จะเอาเพราะแล้วก็มีความรู้สึกผักใสไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านอันนี้นอกจากไม่รู้ทันความคิดฟุ้งซ่านแล้วยังไม่รู้ทันใจที่ยินร้ายหรือผักใสนะมีความเครียดเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ทันเรียกว่ า, อาสอบตกหลาย หลายหลายขั้นเลยเกินนะถ้าหากว่ารู้ทันความคิดเนี่ยนะมันไม่มันก็ไม่เครียดนะแต่พอมีความคิดแล้วไม่รู้ทันแล้วก็แถมจะพยายามไปกดข่มมันเอาไว้ด้วยความอยากนะอยากสงบหรือด้วยความที่ไม่ชอบความฟุง้งซ่านไอ้ความอยากสงบก็ดีความไม่ชอบฟุ้งซ่านก็ดีก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันนะและยิ่งเครียดยิ่งยิ่ง ขุนมัวยิ่งโกรธเนี่ยยิ่งต้องรู้ทันก็ไปใหญ่แต่พอไม่รู้ทันทั้งความเครียดที่เกิดขึ้นไม่รู้ทันความอยากสงบไม่รู้ทันความคิดที่รังเกียจผักใสความฟุ้งซ่านและยังไม่รู้ทันความโกูดที่เกิดขึ้นตามมามันก็เลยลงเอยนะลืมตัวนะเอารองเท้าแตะฟาดศีรษะอยากจะได้ความรู้สึกตัวแต่ลงเอยด้วย นะความลืมตัวเนี่ยอันนี้พอยึดมันถือมั่นนะถ้าสุขง่ายๆ่ายยิ่งขยันรู้เอาไว้นะอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นที่ใจดีหรือร้ายก็รู้บวกหรือลบก็รู้นะอันนี้รวมถึงเวทนาด้วยสุขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายสุขเวทนาขึ้นที่เกิดขึ้นกับใจก็รูนะ้ยินดีก็รู้นะยินร้ายก็รู้ ปวดก็รู้นะไม่ปวดก็รู้นะเวลาปวดเมื่อยแล้วพอคือยิ่งขยับมัสบายก็รู้นะนี่เราจะขยับรู้บ่อยๆก็อย่างที่ว่านะต้องหมั่นช่วยโอกาสนะใช้ทุกเวลาใช้ทุกเวลาที่มีอยู่นะในการสร้างตัวรวยเกิดขึ้นและยิ่งดีกว่านั้นถ้าหาว่าเรารู้จักช่วยทุกเหตุการณ์ด้วยทุกเหตุการณ์ นะไม่ว่าดีหรือร้ายนะไม่ว่าเจริญหรือเสื่อมนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็ามาใช้เพื่อการสร้างสติทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมีเสียงกระทบหูนะเกิดความไม่พอใจนะอันนี้ก็ต้องต้องโชโอกาสตรงนี้แหละนะมาเจริญสตินะฝึกให้มีสติรู้ทันนะถ้าเราทำได้มากมากกว่านั้นเนี่ยนะหรือถ้าเราทำ เราเจรสติบ่อยๆด้วยการรู้จักช่วยช่วยทุกโอกาสและทุกเหตุการณ์เนี่ยนะเพื่อการเจริญสติเพื่อความสึกตัวรู้เท่าทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่ารินได้รับรสนะไม่ว่าจะเป็นรูปบวกหรือรูปลบรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจนะรสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจ อันนี้เนี่ยนะมัน ก, ก็ก็จะเรียกว่าจะช่วยการปฏิบัติของเราเนี่ยเจริญนะงอกงามมากขึ้นพระพุทธเจ้าเคยตัดสอนพระรูปนึงนะที่จริงก็ตัดสอนพระหลายรูปในเวลาเดียวกันแหละแต่รูปหนึ่งในที่นั้นคือพระนันทิยะพระนันทิยนี้ตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์แต่ตอนที่ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งมา มาหาท่านเป็นพระนวะกะชื่อองคุลิมานองคุลิมานนี่ก็เป็นผู้ใฝ่ธรรมนะก็มามาสอบถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่ท่านปณั น, นทิยาก็ก็พูดนะถ่ายทอดคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาประโยคหนึ่งประโยชน์นั่นคือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสอนว่าผู้ใดที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมอนิธารม พระผูมีพระภาคเจ้าสารเสรวนพุทธาเป็นบัณฑิตผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทถารมและอนิถารมพระผู้มีพระเจ้าสารเสริญพุทธาเป็นบัณฑิตอิทธารมก็คือรูปร่างกินเสียงที่น่าพอใจอนิถารมก็คือรูปร่างกินเสียงที่ไม่น่าพอใจรวมหึงเหตุการณ์ด้วยนะเหตุการณ์ที่ดีก็เรียกอิทธารมเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่ เช่นเสื่อมราบเสื่อมยศนะถูกดินทาหรือว่าเจ็บป่วยนี่อันนี้เรียกว่าอ น, นิถารลมมันมีประโยชน์นะถ้ารู้จักมองและรู้จักหาประโยชน์อันนี้ก็เลยเป็นการฉวยโอกาสนะอิทธารลมอนิถารลมนนร ม, มันมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นอ น, นิถารลมเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะแต่ว่า เราก็ไม่ปล่อยให้มันกระทํากับเราจกนกระทั่งเกิดความทุกข์แทนที่จะทุกข์เพราะถูกต่อว่าด่าทอเออก็หาประโยชน์จากมันเวลาประสบพบเห็นงานการมีอุปสรรคนะก็แทนที่จะเสียใจท้อแท้ก็กลับรู้จักหาประโยชน์จากมันอย่างเช่นพระเจ้า ก, ก็บอกพระนันทิยะและพระนันเชยก็มาเล่าให้พระองคุลิมานฟังว่าเนี่ยเวลาทํางานทําการอะไร ประสบความเสื่อมนะหรือว่าความไม่สำเร็จขึ้นมาก็ให้ถือเหตุการเหล่านั้นว่าเป็นเครื่องกระตุ้นให้มันทำความเพียรพยายามทำความดีให้มากขึ้นนะ น, นี้เราได้ประโยชน์แล้วนะเวลางานการมีอุปรสรรคทำอะไรแล้วมันไม่เจริญอย่างที่คาดหวังก็ไม่เสียใจไม่ท้อแท้กลับถือว่าเป็นเครื่องกระตุ้นให้เล่งทาความดีทาความเพียรมากขึ้น เมื่อทำแล้วเนี่ยมันประสบความสาเร็จเกิดความเจริญขึ้นมาก็ก็เกิดความยินดีในในผลนั้นแต่ก็ไม่ใช่หลงยินดีนะจนกระทั่งประมาทก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องหลอเลี้ยงให้เกิดกำลังใจในการทำความดีมากขึ้นผู้งายคือสาเร็จก็ได้ประโยชน์นะไม่สาเร็จก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์อย่างหนึ่งคือกระตุ้นให้ทำความเพียรมากขึ้น หรือว่าทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีความผิดพลาดอะไรทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้กระทั่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนะโรคมะเร็งที่หลายห ล, ย ห, ล, ย ห, ลยหลายคนกลัวนะแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยเขาได้ประโยชน์จากโรคมะเร็งมากยังมีคนหนึ่งเนี่ยนะมาพบว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโรคซึมเศร้าหายเลย ก่อนหน้านั้นเป็นโรคซึมเศร้านะแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยนะโรคซึมเศร้ามันหายไปแบบอน่าพิศวงมากแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยโรคมะเร็งน่ากลัวกว่าโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้านี่มันทําให้เธอเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายมาสามครั้งแล้วผู้ใหญ่คือถ้าไม่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยคง อ, อาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะฆ่าตัวตายเนื่องจากโรคซึมเศร้า นะแต่พอเป็นมะเร็งนี่ซึมเศร้านี่หายเลยถือว่าว่าเนี่ยมะเร็งมันทำให้เธอมีเธอรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นหมอยังบอกเลยว่าว่าทัศนาการมองโลกการมองเชิอองเธอเปลี่ยนไปนะตั้งแต่เป็นมะเร็งอันนี้เลยกว่าเห็นประโยชน์นะ หรือรู้จักหาประโยชน์นะจากโรคมะเร็งบางทีถ้าไม่มองมันก็ไม่เห็นนะไม่รู้จักไตรตรองใคร่ควรที่ก็ไม่เห็นหรอกแต่พอได้รู้จักมองเออก็เห็นนะมะมเร็งมีประโยชน์นะแต่บางคนถึงแมไม่เปน็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากมะเร็งในลักษณะอื่นมีนักศึกษาคนหนึ่งนยะมาเป็นลิขิเมียนะ อยู่ปีสองปีสามหรือเกิดประจบแล้วก็เป็ิวคิเมียก็ทุกนะอยู่อยู่พักหนึ่งนะแต่ตอนหลังก็สามารถจะอยู่กับลิวคิเมีได้งมีความสุขเขาบอกว่าเนี่ยโลกมะเร็งเนี่ยลิวคเมียเนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยมันนำสิ่งดีๆมาให้กับเชีองเขาหลายอย่างอย่างแรกคือทำให้เขาได้รู้จักพุทธศาสนาเราก็เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา แต่ก้อยคงจะนึกว่าพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องพิธีกรรมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายนะแต่พอป่วยแ ล, แล้วก็มีคนเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านเนาะไอ้ความป่วยก็ทําให้มีเวลาอ่านหนังสือแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจหนังสือนะเพราะว่าเอาแต่เที่ยวเล่นกินดื่มเที่ยวนะตามวิสัยวัยรุ่นแต่พอป่วยแล้วก็เออมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะก็ได้เหนน็นได้รู้จักพุทธศาสนา าการที่สองคือมันทําให้เขาได้เห็นได้สัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ไอตอนแม่ป่วยนี่ก็อยู่เหินห่างกันนะพ่อแม่กับลูกพ่อทํางานแม่อยู่บ้านลูกอยู่หอพักนะไปคนละทิศคนละทางตามวิสัยคนกรุงเทพแต่พอป่วยแล้วพ่อแม่ก็มาดูแลนะมาดูแลใกล้ชิก็เห็นความรักทราบซึ้งใจในความรักบริสุทธิ์ของพ่อแม่ ก็สารคือมันทำให้เขาได้รู้จักคิดนะแล้วก็มีเวลาไต่ตองเรื่องชีวิตนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นมะเร็งนะก็คงเหมือนกับชายหนุ่มอายุยี่สิเอ็ดนะทั่วไปคือว่านอนหอพักตื่นบ่ายสามเหลือหนังสือนิดหน่อยก็รอกินเหล้ากับเพื่อนเที่ยวสักพักก็นอนเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีสาระเลยนะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ คงใช้ชิดแบบที่เรียกว่าไม่ไม่รู้จักคิดนะไม่สนใจคนอื่นอยู่อย่างประมาทไม่ระมัดระวังแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊มนี่มันเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักหาประโยชน์นะจากจากอนิถารลมคือนะหาประโยชน์จากเหตุร้ายแล้วนะก็ก็สอดคล้องกับที่หลวงพ่อเขียนพูนะว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหรือนักภาวนาเนี่ยต้องรู้จักโชโอกาส ช่วยโอกาสช่วยทุกเวลาช่วยทุกเหตุการณ์นะไม่ว่าดีหรือร้ายเจริหรือเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ช่วยโอกาสเพื่อเพื่อเอาเปรียบใครไม่ใช่โอกาสเพื่อสนองกิเลสปลนเปอรอัตตาของตัวนะแต่เพื่อเปิดใจให้เห็นธรรมะหรือว่าทําให้มีความรู้มากขึ้นไม่ใช่แค่รู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึงรู้ความจริง รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตรู้ความจริงนะว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสูญเสียทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายนี่ตอนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่หลายคนเนี่ยพอสูญเสียทรัพย์แล้วโอ้ยกู้หมอกุ้ใจเสียทรัพย์ไม่พอนะซ้ําเติมตัวเองด้วยการเสียจริตนะคือเป็นโรคประสาทไปเลยบางคนหนักกว่านั้นนะ เสียทรัพย์ไม่พอเสียจิติไม่พอนะ่เสียชีวิตด้วยคือค่าตัวตายอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม้เสียทรัพย์ไปแต่เธอบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมมันก็ทำให้ได้เห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนะไม่ไม่นานก็ต้องมอีนเป็นไปนะ เช่นอาจจะไม่ถูกถ้าไม่ถูกขโมยถ้าไม่เสียไปก็ถูกน้ำพัดถูกไฟไหมเนะเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าเธอได้ประโยชน์นาจากเหตุการณ์นะจากสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมไฟลบนะก็คือเสื่อมเสื่อมลาบนะแต่ว่าได้ปัญญานะได้รู้เห็นความจริงนะ ก็ทำให้ความหลงมันหมดไปทีละน้อยทีละน้อยนะอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยหลงมันมีสองอย่างนะคือไม่รู้ตัวนะกับไม่รู้ความจริงนะเราสามารถจะใช้ทุกโอกาสในการเติมตัวรู้ให้มากขึ้นทำให้รู้ตัวมากขึ้นหรือมิฉะนั้นก็ทำให้รู้ความจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นโดยเพราะเรื่องความไม่เที่ยงความที่ทุกอย่างมันต้องเสื่อมดับไป เวลาเจ็ป่วยกนะ็หาประโยชน์จากมันให้ได้ว่าความเจ็บป่วยกําลังบอกอะไรเรานะเปิดใจให้เรารู้ความจริงเรื่องอะไรบ้างเช่นความไม่เที่ยงของชีวิตนะความเสื่อมของสังขารเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะว่าวันหน้าจะป่วยหนักกว่า น, นี้แล้วก็เตือนให้เราตระหนักว่าสักวันหนึ่งะจะต้องตายนะนะความตายมันก็มักจะเริ่มต้นจาก นะความแก่ความชราแล้วความเจ็บความป่วยแต่บางคนนี่ก็ไม่ทันเจ็บป่วยนะแก่ชราแล้วก็ตายเลยแล้วแก่บางทีก็ไม่ได้แก่ถึงขั้นชราด้วยนะเพียงแค่แก่ตามวัยแล้วก็ตายแลวก็มีแต่ถ้าป่วยก็ยังดีนะทีออ่ได้มีเวลาได้มีช่วงเวลาที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะบางคนไม่ทันได้ป่วยนะ ก, ก็ตายอย่างที่ว่า จารพุทธาทานบอกเนี่ยความป่วยถ้บอกว่าป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งนะป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกครั้งไม่ไม่ใช่ฉลาดเรื่องยานะไม่ใช่ฉลาดเรื่องอการไปโรงพยาบาลนะแต่ฉลาดเรื่องสังขารร่างกายของตัวต้องใช้ทุกเหตุการณ์นะให้เป็นประโยชน์กับเราให้ได้ในเหตุการณ์นี้มันจะร้ายแรงแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถจะ ให้ความรู้นะที่ทรงคุณค่ากับเรานะเป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ทํทำให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ได้ดีขึ้นคือรู้จักปล่อยรู้จักวางได้อย่างมีช่างคนหนึ่งเนี่ยเป็นช่างไฟครอหามยามร้ายก็โดนไฟช็อตต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นยังไม่พอนะบอกว่าภรรยาก็ทิ้งเขาไป แทนที่จะร่วมร่วมทุกข์กันก็ทิ้งเข้าไปถ้าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกว่ามันซวยเหลือเกินนะทำไมต้องเจอครอสซส้กำกับซั์แบบนี้อาจจะตัดเพ้อว่าทำบุญทำกุศลมากมายทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้ ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองนี่ไปกันใหญ่เลยบางทีอายถึงขั้นว่าต่อไปนี้ไม่ทําบุญแล้วต่อไปนี้ธรรมะไม่เอาแล้วคนแบบนี้ก็มีนะยิ่งเป็นการซ้าเติมตัวเองปิดโอกาสที่จะได้ได้พบสิ่งดีๆนะจากธรรมะแต่ผู้ชายันนี้แกคิดอีกแบบนะแกไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามก็ว่านะคุณรู้สึกยังไงนะที่ภรรยาทิ้งไป แต่ตอว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซินะขนาดขาสองข้างนี่มันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะเขาไม่ทุกนะที่เมียทิ้งเพราะว่าเขาได้ได้ปัญญาเขาได้รู้ความจริงนะจากการที่เสียขาว่าเนี่ยขาที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนี่มันยังไม่ใช่ของเราเลยวันดีคืนดีมันก็ทิ้งเราไปถ้าไม่ทิ้งขานี่ก็มีปัญหานะเพราะขามันเน่าแล้วเนี่ย นะบางคนเนี่ยหวงแหนขามากขาของกูขาของกูไม่ยอมให้จากไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ตายได้นะเพราะว่าพอขาดเน่าแล้วมัน ก, ก็เลือดก็เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะตายแต่ถ้าเกิดยอมรับความจริงว่าเอิญขาไม่ใช่ของเรานะมันดูแลเรามันรับใช้เราเท่านี้ถึงตอนนี้มันไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วก็ต้องนะต้องทิ้งไปนะก็ไม่มีความทุกข์อะไร ยิ่งถ้าหากว่ารู้จักโอกาสเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เนี่ยเออเขาสอนเราหนะ้าขานี่ก็สอนเรานะไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยขาแม้กระทั้งขาแท้ๆอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วยังอะไรอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงแม้แต่เมียเมียทิ้งไปก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรนั่นเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักหาประโยชน์นะจากเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะจากเหตุรายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยันรู้นะขยันรู้ทั้งขยันรู้ตัวแล้วขยันรู้ความจริงก็อาศัยจากทั้งการปฏิบัติในรูปแบบทั้งอาศัยอิทธยบทในชีวิตประจําวันทั้งอาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าบวกหรือลบนะดีหรือลายเจริญหรือเสื่อมนะสุขหรือทุกข์นั้นดูแลแต่มีอะไรให้ดูแลแต่สามารถเปิดใจเราให้ได้เห็นความจริงนะ ของชีวิตนะช น, นิดที่ถ่วยทำให้ความหลงมันหมดไปนะซึ่งก็หมายถึงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะคำนี้พบท่า น, นีนะกระาบครบ